วันนี้ก็เป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมทั้งวันนะนะฝนตกบ้างยุงก็ตอมหรือว่ากัดเราบ้างอยู่วความแฉะความชื้นนะก็ถือว่าไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้วันไหวเพราะสิ่งเหล่านี้เรามาฝึกนะบางทีก็มีความง่วงบ้างฟุงซ่านความเบื่อ อมปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้ น, ะ, นะทุกคนได้เจอบางทีก็มุ่งมากจนแปลกใจว่าทำไมเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับพอนั่งยกมือสร้างจังหวะทําไมมันมีความง่วงรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างตอนเย็นเราได้สนทนากันมันเป็นอย่างเนี้จริงๆแต่ว่าใครจะผ่านได้ เมืนกัเราเรียนแล้วก็มีโจทย์มีแบบฝึกหัดลุงทีมมีข้อสอบเราจะตอบอยังไงถึงจะผ่านได้เราได้คะแนนด้วยนะความทุกก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปปฏิบัามแล้วเราจะนิ่งๆเฉยๆมันไม่ได้เฉยแบบนั้นนะมันเฉยแบบไหวพิจิติพานมันเหมือนกับไหวแต่ว่ามันไหวแล้วไม่ทุกไหวแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น มันบ้องไวๆไวอยู่ในแดนของธรรมปกติธรรมง่วงเปลี่ยนเป็นตื่นทันทีง่วงเป็นไม่ง่วงไอ้ตัว น, นําจะค่อยฝึกเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้เปลี่ยนจากหลงเป็นรู้เปลี่ยนจากความคิดมาออกมาจากความคิดออกจากความทุกข์มันจะเป็นคำตอบแบบนั้นแหละจากหยากไปหาลนะเอียดน้เราก็จึงเนียนฝึกอดกัน เหมือนกันทุกคน <Yeah. S 1> ไม่มีใครลอกปฏิบัติแล้วจะไม่คิด yeah. มันต้องคิดเพราะว่าวิธีปฏิบัติเป็นการกวน <Yeah. S 1> กวนจิตของเรากวนใจของเรา <Yeah. S 1> มันเคยได้รับอาหารมีความเคยชินอะไร <Yeah. S 1> เคยได้รับตลอดปนเปรอะ yeah. แต่พอมันขาดมันก็แสดงตัวทันที yeah. เราใส่กรอบใส่รูปแบบลงไปจเจริยสติลงไปมันก็แสดงตันทีมันก็ไม่ได้หลบไปไห น, นการแสดงแต่ละอาการแต่ละอารมณ์ก็ถือว่านั่นแหละจะทำให้เราเก่งทำให้เราได้มีการพัฒนาขึ้นไปเดินทางสู่การพ้นทุกข์ยิง่งขึ้นไปอาการรั่สภาพธรรมเหล่านั้นมันคือแค่ธรรมชาติ ถ้ามีสติมีตาในมีความรู้สึกตัวเราก็เห็นว่าเออก็เป็นแค่เพียงอาการที่ไม่ใช่เราอะเป็นแค่ธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระไตายละก็แสดงทันทีปรากฏทันทีเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่ภาษาพูดด้วยนะมันเป็นภาษาที่เราลงมือกระทําละอาการมันก็เป็นภาษาธรรมทำํทำให้เราได้เห็นธรรมเห็นทุกข์ก็เห็นธรรม เห็นธรรมก็คือเห็นทุกเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราเมาื่อใดเห็นเราเมื่อนั้นเห็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกําลังยกมือนะ14ชั่วโมงลงมือกระทํทะาทอทหารสลามธรรมกายธรรมมันก็เห็นธรรมชาติของกายกายของเราต้องเคลื่อนต้องไหวพลังชีวิตนะกระพริบตาหายใจคุยหยัดเคลื่อนไหวทั้งวัน เดี๋ยวถ่ายภาษะว่าอุจจาระดื่มน้ำเราทานอาหารธรรมชาติของก็เป็นอย่างนั้นแหละจริงๆจนตายหายใจจนตายหยุดเมื่อไหร่ก็ตายทันทีแต่บางทีมันหายใจเร็วหายใจช้าที่หายใจไม่ทั่วท้องมันเกิดจากความกลัวก็ได้กลัวแล้วหายใจไม่ทั่วท้องหรือโกรดเนี่ย น, นะลมหายใจเต้นร้อนเผาเหงื่อซึมกระตุก เกรงทั้งตัวก็คือผิดปกติเราก็เริ่มได้แยกความเป็นปกติของกายเป็นอย่างไรความไม่ปกติของกายเป็นอย่างไรจิตก็เริ่มปกติเป็นอย่างไรเริ่มแยกได้แล้วจากของอยาไปหาละเ อ, อยียนมีความง่วงกลางคืนง่วงกับเป็นของดีกลางวันเราปฏิบัติอยู่แล้วมันง่วงเย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี มันมาให้เราได้เรีย น, นมาให้เราได้ผ่า น, นเรื่วันิวรธรรมเราก็เริ่มเห็นธรรมชาติลนิวรเป็นอากุศลเจตสิกอออันนี้นะอารมณ์อากุศลพอมาทีแลก็เกิดความไม่ฉลาดทุกทีเลยเมินงงนีนะรู้สึกว่าสมองไม่เฉมใสเราก็อออย่างนั้นเหรอก็ได้ได้คำตอบ ตัวเองก็ต้องตอบตัวเองให้คนอื่นตอบให้มันก็ไม่สน uk uk, ุกหรอกเราก็ไม่ยึ่ของจริงเราต้องตอบโดยการปฏิบัติแล้วก็เออหลังความง่วงมีความตื่นอย่างเงี้ยนะมันง่วงจนมันตืน่นรู้สึกสว่างสวัยมีเลี่ยวมีแรงขึ้นมามีกําลังนีอันนั้นแหละนีก็คือลักษณะของปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการเดินทางจริงจริงมองใจสัมผัสจริงๆตร ง, ๆ, ตรงๆที่กายที่ใจของเราอ่ะ เราก็เลยไม่ได้รับไม่ได้ไปฏิเสธแล้วแต่เขาจะแสดงเมื่อก่อนเขาแสดงอะไรเราก็ทำไปตามยถากรรมกรรมดีก็ทำตามความดีกรรมชั่วทำตามความชั่วอย่างงี้ชั่ววูบหลวงพีไม่ทำสักดีไม่น่าเลยพูดไปแล้วทำไปแล้วเสียใจต่อไปนี้เราก็สังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่ชั่ววูบแล้วมันก็ไม่ใช่ดีวูบ มันเป็นความรู้สึกตัวทุกครั้งเกิดอาการต่างๆขึ้นมาเรวก็เกี่ยวข้องกับด้ความยุติธรรมด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละรู้สึกตัวมันตอบอย่างนี้จนกระทั่งมันชํานาญมาปับผ่านเลยมาปับแสงเลยพ้นมาปับเรามาอยู่ภายใต้อํานาจภายใต้อิทิพลมันบีมุดหลุดพ้นนี แล้วมันจะไม่ดีตรงไหนกันเนี่ยกลายเป็นว่าเรา่็สนุกสนานตื่นตัวมีความชํานาญลำก็เป็นของง่ายๆทําใหม่ๆเหมือนของยากพอจะผ่านความง่วงพาจะผ่านความเจ็บความปวดความเมื่อมันยากยากพอจะหมดวันพอจะหมดแต่ละชั่วโมงพอจะหมดห้านาทีนะโอ้ยอย่างวันแรกมานั่งกันตอนผสมนิเทศหนะ้านาทีสี่นาทีเหมือนกันา น, นานนานนี่แหละเป็นประสบการณ์ตรง ที่เราจะพิเศษกันไม่ได้เลยมาลงมือเคลื่อนไหวรู้สึกต้องเฮได้เห็นสิ่งเหล่านี้อาการเหล่านี้แสดงออกมาหลวงพ่อพระเจ้าทานเทศมาเป็นพวงๆเลยนะมันไปยังไไปเป็นพวงๆเหมือนกันละมันมาให้ดูเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องล้าไม่ต้องออกแรงเข้ามาเองมาให้เราเดิเรียนอย่างเงี้ยเราก็ตอบได้กว่ารู้สึกตัวไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่อง ของใครของเราที่เราจะต้องบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญต บ, บะฝนะึกหัดเอาเองแหละนะช่วยกันไม่ได้จริงๆของใครของเราใครทํำกันใครได้พ่อปฏิบัติใจกับลูกก็ไม่ได้แม่ปฏิบัติใจกับลูกก็ไม่ได้ลูกจะทําให้กับพ่อกับแม่ก็ไม่ได้รักขนาดไหนสามีภรรยาให้กันไม่ได้เลยตัวใครก็ตัวเราแหละเราก็จึงตัดบริบทความกังวลเพใหหมดเลย ความกังวลต่างๆความเปินพ่์ต่างๆคิดถึงเรื่องงา น, นเอาไว้ก่อนตอนนี้เราลองมาทาความรู้สึกตัวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เอาไว้ก่อนตอนนี้เราลองทำความรู้สึกตัวคิดถึงอะไรต่างๆนะกลับมารู้สึกตัวให้หมดเลยไม่แบ่งไม่ให้ราคาไม่ให้คุณค่าถ้าย ใ, ให้ค่าให้ราคาตอนนี้ให้ กรรมฐาน ม, าามนะออกหน้าก่อนตัวสติปฏฐานนี่ออกหน้าออกตาก่อนรู้นะืรู้ตัวอยู่ข้างหน้าเลยทุกขณนะดูสิหนึ่งวันสองวั น, ส า, วนสามวันผ่านไปจะเป็นยังไงใจลมจะเบาๆบางๆความคิดที่เคยเป็นปัญหาความทุกข์ที่เคยตามมาคิดแล้วคิดอีกคิดอีกจนอารมขค้าง นอนเนื่องนานตัจสริตโมหาจริตบิตกจริตพุทธิจริตราคาจริตต่างๆแล้วมันตกค้างจนเป็นนิสัยอนุสัยแล้วก็เปลี่ยนได้นิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยที่จะรู้อยู่กับปัจจุบันที่กายตัวนี้แหละจิตจะเป็นปกติอยู่บ่อยๆจนเต็มพื้นที่ก็ไหวได้วินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่ง หานาทีห 30, 30, ้าหกสาม0กับสามกันก็รู้เต็มเต็มเลยหนึ่งชั่วโมงเท่าไหรสองชั่วโมงเท่าไรไม่แบ่งหลงไปก็กลับมาได้เผลอไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้สึกรู้สึกว่าเผลอลกลับมารู้สึกตัวทำกรรมฐานให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อไปนะสนุกดีเมื่อเช้าหลวงพ่อเขียนท่าน จ้างเอาวะบอเอาวะเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอได้พูดหน่อยนะทำไมก็เลยว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเกียงศักด์ได้แสดงความเห็นเป็นคำพูดในฐานะที่รู้ราตีนานแล้วก็มีปัญญาเยอะแล้วก็ทางโลกมีความสาเร็จสูง คุณสมบัติรูปสมบัติทรัพสมบัตินะพร้อม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่งามราควคได้ยินได้ฟังโ <Yeah. S 1> ดวยวฉพาเรื่องประสบการณ์การบฏิบัติที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ <Yeah. S 1> แบ่งปันเพื่อให้หลายคน <Yeah. S 1> ได้เห็นาบางทีอาจจะเป็นต้นแบบของเราได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> นอกจากเรามีแบบพระเจ้าค <Yeah. S 1> ำสั่งสอนของท่าน <Yeah. S 1> แบบสติปัฏฐาน มันมีรูปแบบต่างๆมากมายเราวก็มีแบบอย่างของเพื่อนเรียกว่าการยานมิตรได้แบ่งปันเป็นสิ่งแวดล้อมทำให้เราเกิดกำลังใจที่สำกันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามองข้ามไม่ได้สิ่งนี้ถ้าเรามองข้ามการปฏิบัติธรรมเทเราปฏิเสธตัวเองเราปฏิเสธความสุข เพราะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรียนเชิญนะคุณหมอเกียงศักดิ์จิรแพทย์ได้ผูตรธรรมะเท่าที่เห็นว่าสมควรแก่ทำแก่เวลาตอบสนองคำพูดหลวงพ่อเกียนนิดนึงกล่วกวาวกล่านมัสการ ท่านอาจารย์พระอาจารย์แล้วก็คุณแม่ชีแล้วก็ญาติโยมนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นก่อนที่จะอายุยี่สิบเก้านะครับตอนนี้หกสิบห้าตอนนั้นรู้สึกว่าเรา อยากให้ทาให้ผู้อื่นมีความสุขการที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขทำอะไรบ้างก็คืออยากเอาใจทำให้ผู้อื่นมีความสุขสบายใจถ้าเป็นรุ่นน้องในฐานนี้เป็ น, ปนแพร่รุ่นพี่ก็จะคอยดูแลเตรียมน้ำเวลาออกตรวจผู้ป่วยเราเป็นพี่เรามีน้องดูแลเส้นห้าคนเราก็จะซื้อ น้ำขวดนะครับแช่เย็นไว้ตรวตัวก็เหนื่อยเราก็จะเอาน้ํำมาให้เขาเวลาที่เขาจะต้องตรวจอุจจ า, าระปัสสาวะคนไข้เราแย่งตัวเองหมดแต่พอสิ่งที่เราทําไปเรากลับได้รับความนินถาว่าเอ๊ะทาไมไมาแย่างงานน้องทำเราก็คิดจเอ๊ะงานเหล่านี้มันไม่ใช่งานที่มันน่าทําทเลยแต่พอเราช่วยเราได้รับสิ่งนี้ก็เริ่มรู้ว่าตัวเอง มีความทุกข์ในใจก็คิดว่าเออมันต้องต้องจะมีทางสายนึ่งสายกลางอะเนาะที่ทำแล้วเราก็ไม่ทำใม้เราทุกข์แล้วก็ถ้าคนอื่นเขามีความทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางแต่ก็หาทางออกไปได้นะครับจงกระทั่งอายุ29ปีปวดหลังมากนะครับหมอนกระดูกทับเส้นประสาทนะครับ เกิจากการออกกำลังเมื่อวัยเล่นกีฬาเมื่อวัยหนุ่มก็ต้องรับการผ่าตัดตอนนั้นจะคิดว่ายืนทำงานก็ไม่ได้นะครับปวดต้องยืนขาเดียวก็เริ่มคิดแล้วว่าทีมันกันถ้าผ่าตัดเราอาจจะได้เห็นทำมาเลเห็นมีทางออกนะครับวันที่ผ่าตัดก็ผ่าตัดก่อนผ่าตัดนะครับก็อยู่ในหอผู้ป่วยก็มีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งแบบ หมอหมอสนใจไหมวัดปากน้ำเนี่ยมีแม่ชีนะครับคุณแม่ชีสามารถสอนการนั่งสมาธิได้เขบอกว่าผมสนใจอันก็เ้ข้าห้องปากตัดเย็นนั้นนะครับคุณแม่ชีก็มาแล้วก็ถามบอกว่าหมอหมอเป็นทุกข์เหรอหมอรังนะเอาพรพพุทธรูปแก้ว เธอไว้ที่มือนะตอนนั้นนั่งไม่ได้นะครับได้แต่นอนแล้วก็กําไว้ที่มือนะแล้วหมอทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องการเอาใจผู้อื่นทําให้เกิดทุกข์ใช่ไหมภาวนาคํานี้เลยการเอาใจผู้อื่นทําให้เกิดทุกข์นะครับแล้วเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะั้นขอให้ภาวนาคนํานี้คืนนั้น ปฏิบัติแค่ประมาณ15นาทีจิตนิ่งนะครับไม่เกิดมาไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรแต่ทราบและ ว, ว่าเราใจไม่หวั่นไหวนะครับพราะนั้นคืนแรกที่หลังพาตัดตันบ่ายก็สามารถเห็นจิตของตัวเองนะครับตื่นเช้าเรารู้เลยว่าราักาเป็นเอกคนหนึ่งนะครับที่เวลาเคลื่อนไหวอะไรแล้วรู้ ว่าเราทำอะไรอยู่ก็คิดว่านี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราพบแล้วดันนั้นก็เลยเรื่องของการหวั่นไหวกับคำนินทาก็เริ่มเข้าใจละอ่านหนังสือมาอ่านอ้อนี่มันลกธรรมลกธรรมแปดเราจะมาเลือกสิ่งที่เราอยากได้เราไม่อยากสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่ได้มันคำโลกธรรมแปดมันขึ้นมาจำชัดเลย ใจก็เริ่มสงบนะครับรู้แล้วว่าตัวเองเปลี่ยนไปแค่ค่ำคืนนะครับอยู่ในโรงพยาบาล7วันนะครับก็กลับมาทำงานตอนนี้เวลาเคลื่อนไหวกายเดินเหมือนกับพระใหม่นะครับที่ออกบินทบาทแล้วก็เริ่มปฏิบัติให้รู้ว่าการย่างเท้าการถือบาตรต้องมีสติคนก็บอกว่าเอ๊ะพี่เคียงสักด์ทำไมเดินเหมือนหุน่น เพราะเราพราะเรากลัวมันก็มคลองน้ำเอาไว้อยู่ในขันแล้วโคนน้าจิตมันกระเพิ่มนะครับก็เลยเดินช้าแต่เริ่มรู้แล้วว่เาเวลาก้าวเท้าหรืกีแ่แหวงแขนเรารู้ตัวนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งเดินไปวันสองวันอันนี้เริ่ม เ, เดินเร็วได้ตามปกติอันตอนนี้เมื่อเราเริ่มเห็นจิตของตัวเองก็พัฒนาต่อนะครับอ่านหนังสือธรรมะนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติ โดยใช้อานาปานสติใหม่ๆแล้วก็ให้ความสงบเร็วมากนะครับภาวนาสัก5 10ถึงนาทีจิตรวมนะครับไม่รู้สึกสึกตัวเบาไม่มีแขนไม่มีขารู้แต่ว่าเราจิตนิ่งอยู่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เราสามารถเห็นจิตตัวเองแล้วก็สามารถพัฒนาต่อได้ก็โดยการ ภาวนานะครับอันั้นทุกๆท่านก็จะมีจริตนิสัยที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับนั้นท่านก็ต้องพยายามหาเพียงแต่ว่าขณะที่ยังหาวิธีภาวนาที่ยังถู ก, กัจริตนิสัยตัวยังไม่ได้ก็ขอให้ทําตามรูปแบบอะไรอย่างใงอย่างใดไปก่อนเช่นอย่างวันนี้ท่านมาฝึกการเคลื่อนไหวกายนะครับท่านก็ฝึกไป นี่เป็นรูปแบบเบื้องต้นเพื่อให้เราเห็นจิตของตัวเองแล้วเมื่อเรารู้จักจิตของเราแล้วตอนนั้นเราก็ค่อยๆนะครับหาวิธีที่คิดว่าถุกกจริดนิสัยของเราของผมก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะครับมาใหม่ก็ภาวนาอาณาปณสติภาวนาพุทโธพุทโธกระพรอมกับกบระนดโรใหม่ใจสักพักหนึ่งทราบและมาพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐาน พิจารณาธาสีขหน้านะครับกลับไปเอาพุโทโธไม่สงบซะลใหม่ๆไม่เข้าใจทําไมเราเสียดายจังเลยจิตที่เราสามารถทําสงบให้นิ่งได้ตัวเบาแขนขาก็ไม่รู้สึกตัวนะครับทําไมเราสูญหายสูญหายไป อ, อ๋อปฏิบัติไปเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ไม่มีนะครับปฏิบัติเองต่อไปก็เริ่มรู้อ๋อล เราพิจารณาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะมาถอยหลังมากายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เป็นไรก็เหมือนเราก็ได้ใจแล้วเราก็สามารถละกายนี้ได้ก็แล้วกันเพราะนั้นก็จะพัฒนามาเรื่อย น, นะครับเวลาขับรถเริ่มรู้ละว่าพุทโธจะไม่ได้ก็ามาสนใจกับเกินเคลื่อนไหว การหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายมุมไปทางขวามันทีก็เคาะนิ้วเองนะครับเป็นจังหวะนะพอหนิ้วสัมผัสกับพวง ม, มาลัยรู้สึกตัวอันนี้มันก็พัฒนาของมันนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้รับความสงบบ่อยครั้งที่ดูว่าจิตมันเปลี่ยนใหม่ๆก็เอ๊ะเราตั้งใจนะ่นหนึ่งนาทีนี้เราจะไม่คิดแต่ไรพอไม่ถึงนาทีมันคิดละก็ตามไปคิดเอ๊ะเรา ไปคิดเรื่องอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่มันหลอกให้มันหลอกให้เราปรุงแต่งต่อรู้ทันมันก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้ามันหลงไปงเรื่องกลับแล้วไม่มาถามว่าเราหลงตั้งแต่ตรงไหนเช่นขับรถฐ่านจิตระโซนจิตลดาเริ่มต้นตรงนั้นฉันไม่มาไหว้เป็นจะมีสติกลับคืนมาเพราะฉะนั้นจิตมันจะทําให้เราหลงอยู่เรื่อยอย่าไปยอมขอให้กลับมาอยู่ที่กายอันนี้นะครับท่าพอมาฟัง มาที่วัดนี้ได้ฟังหลวงพ่อได้ฟังพระอาจารย์เข้าใจครับเข้าใจทั้งหมดเลยว่าอ๋อจนจริงนี้สิ่งนี้คือเรื่องเดียวกันนะครับเราจะเหลี่ยนนิสัยเราอะไรทำให้เราสงบก็ยึดอันนั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อจิตหนึ่งก้าวหน้าแล้วเราจะเปลี่ยนอะไรมันคือสิ่งเดียวกันการที่เรามีจิตเป็นสมาธิ แล้วเราบำเพ็ญแต่ความดีสิ่งเหล่านี้จะให้ผลดีแก่เรานะครับตลอดเวลากับมันมีคนมาคุ้มครองเราในวิกฤตชีวิตจะเข้ามาเป็นระยะนะครับแต่ถ้าเรายึดพุทโธเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ทุกอย่างจะแคล้วคลาดนะครับบางครั้งเราไม่เคยนึกเลยว่าเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตนั้น จะทำให้เราผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอยากช่วยชีวิตผู้ป่วยมากผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ตัวเล็กน้อยไม่ถึง1กิโลก ร, รมัมบ้านเราเราล้าหลังมากนะครับบอกอาจารย์วีนาตอนนั้น แ, แต่งงานอายุ34นะครับพอโทษสามสนะครับแล้วก็คิดว่า คงจะไม่ไม่แต่งงานแล้วเพาปฏิบัติถือสินแปะมา10ปีก่อนแต่งงานก็เลยคิดว่าอยากช่วยชีวิตเด็กไทยเพราะว่าเรายังล้าหลังอยู่มากเราจะยอมให้ประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธศาสนาที่ดีที่สุดที่ถึงนิพพานได้เรามีพระมหากษัตริย์นะครับที่เลิศที่สุดนะครับไม่มีใครรักประสูนิก่ขอทงท่านทักพระมหากษัตริย์แล้วทาไมการแพทไทยเราต้องล้าหลัง ทำไมแม่ที่รักลูกต้องเสียลูกไปทำไมเด็กไทยจึงต้องบอกว่าเสียชาติเกิดที่เกิดมาประเทศไทยก็เลยเริ่มต้นของการพัฒนาการแพทย์ไทยสาขาถา่ายเลือดนะครับบอาจานวินานะครับผมอยา ก, กซื้อเครื่องมือนะมาช่วยชีวิตลูกเครื่องละสามแสนเองนะครับเวลาเจาะเลือนเนี่ยเขาจะใช้เลือดเพียง3ามสี่หยด ขณะนั้นต้องใช้เลือด5สี่สี่ท่านคิดตรงสี5สี่สีกับ3สี่ต่วินาเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะมากนะครับตกลงผมมีพ่อเด็กเป็นศิลปินแห่งชาติภาพวาดต่างๆเขาบอกว่าเขายินดีเขาให้ภาพนะครับเพื่อมาทำบัตเวพรสก อ, อส์นะครับ ใจวีนาไปที่ไหนไมีแต่คนต้อนรับนะครับไปโรงพิมพ์บอกว่าไม่ต้องลงมุดไม่ต้องให้เงินก่อนขายได้แล้วค่อยมาให้เงินอนมรินพิมพ์ทินกรุ๊ปนะครับปรากฏว่าเราได้มาหนึ่งล้านสามแสนทั้งที่ไม่มีเงินเลยนะครับต้องการแค่สามแสนอันจากสามแสน น, นี่คือระยะวิกฤตมีอะไรปฏิหารอยู่แล้วพ่อแม่เด็กร่วมมือกันช่วยนะครับ ในที่สุดเราก็ได้มา1ล้าน3แสนซื้อเครื่องมือไป3า0แสนมาช่วยชีวิตลูกเด็กทั่วไปใน4ปี่ราชอีกล้านต้องเก็บเอาไว้เป็นกองทุนเพื่อพัฒนาการแพทย์ไทยต่อไปทำให้พยาบาลนี่ก็กำลังใจโดยส่งให้ไปออกทุนให้ไปประชุมเป็ น, เ ป, นเป็นอาหารสวัสดิการนะครับจากสิ่งนี้ก็เลยทำให้เกิดความรักในหน่วยงาน มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถทำให้สีราษพัฒนาทันสหรัฐภายในเจปีด้วยความพยายามของตัวเองนะครับแล้วเมื่อพัฒนาศีราษได้แล้วก็ออกมาพัฒนาทั่วประเทศไทยนะครับสามารถผลิตเครื่องมือราคาแพงเครื่องมือบางเครื่องราคาแปดแสนตอนนี้เราผลิตออกมาขายได้แค่4ี่มืน ที่ไหนมีเงินซื้อก็ซื้อไม่มีเงินแล้วก็บริจาคบัจากความพยายามอันนี้ความตั้งใจที่จะทำประโยชน์นะครับ mm. เกิดมาชาติหนึ่ง mm. <c oughs> อย่าให้เสียชาติเกิดนะครับต้องทำประโยชน์ให้แผ่นดินเพื่อตอบแทนแผ่นดินนะครับ mm. ก็เลยสามารถทำให้การดูแลทะเลากรายเกิดของประเทศไทยดีขึ้นนะครับ mm. อั น, นนะขอบุาขาวขอบพระคุณนะครับ คนหมอเคียงจากจิรแพทย์ก็เป็นพวที่ทำประโยชน์ให่พระแทจ่าด้วยนะอย่างใหญ่หลวงละมาอาจารย์เลยว่าถ้าลรได้เกิดความดีความงาม ก็มาจากสติปัญญาเราได้เพราะว่าพื้นฐานปริยธรรมมาตั้งแต่หนุ่มๆชนทาง้ายสุดเมีกติจาระสติวิปัสสนาญาณเไม่เห็นความจริงก็ได้ฟังประโยคนึงคุณหมอพูดว่าขอขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำดีมาให้กับสังคม อ้กาศส่วนรวมมามากแล้วเขาจะขอพักผ่อนทายสุดคะนมาสร้างกุฏิอยู่ในวัดเนี่ยช่วงนึงก็มาอยู่แล้ว่าทั้งพักผ่อนทั้งเดินทางมีหลวงพ่อเขีย น, นยท่านเป็นประธานสงฆ์คำพูดของท่านทุกคำมันเป็นเรื่องของ รอยทำชี้รอยทำให้เราได้เดินทางตามธรรมเพื่อให้เกิดการเดินทางผ่านยิ่งยิ่งขึ้นไปการเทศตอนเจ้าของท่านท่านพูดถึงความจริงในเพราะคำประคประโยคสุดท้ายที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่ มันสุดการแสวง ห, หาหรือว่าคําพูดที่มันจะมีต่อไปมันไม่ต้องแปลการที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรต่อไปรู้ว่าถ้าเป็นก็เป็นเช่นนั้นเองใจมันว่างใจมันปล่อยใจมันวางเนื่องจากเราเดินตามทำทำแล้วก็ถูกทำถูกกาลเทศะตัวนี้เ ร, เริ่มต้นที่รอยเล็กๆ การเดินจงกรมการยกมือสืบเสีว่าแต่เราก็นาความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นร่องเป็นรอยเห็นทุกอย่างมุมนี้เรียก ว, ว่าประตูใจความรู้สึกตัวนี่กลายเป็นเห็นจิตเห็นใจเมื่อกี้ท่านพูดถึงประโยชเนี่ยใจของเรามีหน้าที่คิดเก่งตรงๆไม่อ้อมเลยล่ะตาดูคิดต่อหูฟังคิดต่อ แถมปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตได้ไกลเราจึงเห็นความจริงกั น, นเหมือนกันทุกค น, นมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีบรรยากาศสำกันก็คือรูปแบบปฏิบัติเนี่ยตัวใครตัวเราละข น, น, น, ส, นส่งตัวเองนขนตัวเองส่งตัวเองผูกเอาเองก็แกวเอง กรรเาเองก็แบลว เ, เองยึดเอาเองก็วางเอาเองก็ต้องทำให้เป็นกันนะแต่พราะนั้นวันนี้เราเป็นเรียกว่ากัรเรีมิตรึงกันแล้วกันแป่งนเะป็นคำพูดจากประสบการณ์ตรงกันกะ็ถืถอว่าเป็นบุญหูของพวกเราก็นะาให้พวกเราได้กล่าวกราอนุโมทนาบุญสาธุการร่วมกัน นรต้นหนึ่นึหนอนุโมทามิ